สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยาพิบานะครับเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่19ข้อ 15-19 ถึงครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าความเกียดค้านทำให้หลับสนิทและคนขี้เกียจจะต้องหิวบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมิน่นพระวจนะก็จะถึงตาย บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าส่งยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขาจงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าจงใจให้เขาถึงพรีนาศไปคนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษเพราะถ้าเจ้าช่วยกู้เขาแล้วก็ต้องช่วยกู้เขาอีกพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจะนานะพระเจ้ามีทั้งหมดหข้อครับ เริ่มต้นจากการเกียรติคานหรือคนเกียรติคานความเกียรติ้านสามารถทําให้ขนไม่ทําอะไรเลยจนกระทั่งเขานอนหลับและหลับสนิทนั่นหมายความว่าเขาสูญเสียเวลาไปเวลาที่มีค่าของเขาเขาเสียไปในยามที่เขาควรจะใช้เวลาเหล่านั้นเป็นโอกาสในการทํางานหาเลี้ยงชีพ และคนเกียดค้าในที่สุดก็ต้องหิวครับความเกียรค้านั้นถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการไถ่ของประทานที่มีค่าจากพระเจ้านั่นก็คือเวลาและโอกาสนั่นเองเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องเป็นผู้อารักขาเวลาแต่คนเกียรติค้านั้นเขาได้เสียเวลาของเขาไปโดยเปล่าประโยชน์ เขาใช้เวลาอย่างไม่เสียดายและเป็นอันตรายครับเพราะว่าการเกียรตค้านการใช้เวลาไปอย่างสุริสุร่ายนั้นจะนำไปสู่สิ่งต่างๆที่แย่กว่าในชีวิตนั่นก็คือความเฉยเฉยเย็นชาในอุปนิสัยและในที่สุดความหิวโหยก็จะตามมาและยากจน คนแค้นไหนที่สุดคนเกียร์คานนะครับแปลตามตัวอักษรภาษาเดิมว่ามีวิญญาณแห่งการอืดอาดยืดยาดครับคนเกียร์คานมีวิญญาณแห่งการอืดอาดยืดยาดแต่คาว่าการนอนหลับภาษาอังกฤษใช้คำว่า deep sleep ก็คือนอนหลับลึกเลยครับในระดับลึกนั่นหมายความว่าเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจ ที่จะใช้โอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตให้เกิดประโยชน์น้ำขึ้นก็ไม่ยอมตักครับเพราะว่าเขานอนเขาไม่สนใจนี่ครับคือเหตุการณ์ร้าๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกียรติคานข้อต่อไปครับคือข้อที่16บข้อที่16บกอกว่าบุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตนบุคคลที่ดูหมินพระวจนะก็จะถึงตาย นั่นคือการให้เกียรติพระวจนะครับการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านั้นทําให้เรามีชีวิตยืนยาวทําให้เรามีอายุยืนครับในขณะที่ผู้ที่ละเลยไม่เชื่อฟังและดูหมิน่นจะมีอันตรายถึงชีวิตคำว่าดูหมิ่นนั้นก็คือว่าการละเลยไม่สนใจและดูถูกครับถือว่าไม่มีความสาคัญ ใครก็ตามที่ไม่ให้เกียรติพระวจนะไม่ถือว่าพระวจนะนั้นมีความสําคัญต่อชีวิตเขาจะมีอันตรายถึงชีวิตครับบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระเจ้าก็จะมีชีวิตหรือดําเนินชีวิตที่ยาวนานกว่าผู้ที่ไม่นับถือไม่เชื่อฟังตามคําแนะนําในพระคัมภีร์ยิ่งไปกว่านั้นครับเขายังได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วย ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าคำแนะนำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เขายังได้ชีวิตนิรันดร์ชีวิตของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าครับลำบากครับการไม่รู้จักพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าชีวิตของเขานั้นก็สั้นและร้ายก็คิดถึงยาโคบครับเมื่อยาโคบนะฮะได้กล่าวถึงชีวิตของตอนเองว่าชีวิตของเขาพระเจ้านั้นก็สั้นและร้ายนั่นคือชีวิต ในช่วงที่เขาไม่ยอมรับพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าเท่าที่เขาควรจะรู้เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับคําว่าเชื่อฟังภาษาอังกฤษใช้คําว่า keep ครับซึ่งแปลว่าการปกป้องรักษาการปกป้องรักษาหรือดําเนินชีวิตอยู่ตามคําแนะนําใ น, นพระเจ้านั้นมีความหมายก็คือการเชื่อฟังและทําตามครับการเชื่อฟังและทําตามนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของการปกป้องรักษาการ keep The commandment ก็คือการรักษาถราบัญญัติของพระเจ้านั่นคือการบบดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าและหากเรามีลักษณะเช่นนี้ก็คือเรามีชีวิตที่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าสิ่งนี้ก็จะรักษาชีวิตของเราให้ยืนยาวข้อ17ครับบุคคลที่เอนดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทน แก่การกระทําของเขาคำว่า endu คนยากจนคำว่า endu นะครับมีความหมายมากกว่าแค่สงสารเพราะว่าคนที่ e n d ูคนยากจนหมายถึงการหยิบยื่นครับหมายถึงการยื่นมือการกระทําการนำความเชื่อไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำว่า endu นั่นหมายถึงการภาคปฏิบัติครับ การยื่นมือให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนอ่อนแอคนไร้ที่พึ่งและคนยากจนพี่น้องครับคนยากจนมีความหมายก็คือคนอ่อนแอคนไร้ที่พึ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําครับบุคคลที่เอนดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมการยืมของพระเจ้านั้นมีความหมายว่าเป็นการลงทุน เป็นการลงทุนกับพระเจ้าที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุณคาดไม่ถึงนะครับการช่วยเหลือคนยากจนนั้นถูกกำหนดไว้ในพระคัมภีร์ครับชัดเจนมากเลยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15้าข้อเถึงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15บข้อ็ถึงประเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะอ่านให้ฟังผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะได้ ไข้ควรว่าชีวิตของเรานั้นเราได้ให้คนยากจนมากน้อยแค่ไหนเราได้ช่วยเหลือคนยากจนมากน้อยแค่ไหนครับเรากลับมาถึงพระะของพรเจ้านะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 15: บข้อเถึงข้อที่11ถ้าท่ามกลางท่านมีคนจนคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ในเมืองใดในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านจงอย่ามีใจแข็ง อย่าหดมือของท่านไว้เสียจากพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้นแต่ท่านจงยื่นมือของท่านให้เขาและให้เขายืมจนพอแก่ความต้องการของเขาที่ยังขาดอยู่นั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดร้ายในใจของท่านว่าปีที่เจ็ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้วแล้วท่านก็มองพี่น้องยากจนของท่านในแง่ร้าย ท่นจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลยและเขาจะฟ้องร้องต่อท่านต่อพระยาเวบาปก็จะตกแก่ท่านท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยาววาพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในกิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านจะต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างขวางต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านจากตรงนี้เองครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าการให้แก่คนยากจนหรือการช่วยเหลือคนยากจนคือการที่ให้พระเจ้าส่งยืมคนที่ขาดความเมตตากรุณาและขาดความเอ็นดูคนยากจนจะถูกประนามครับถือว่าเป็นบาป บาปที่ละเว้นไม่ทำสิ่งที่ควรทาไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นการให้แก่คนยากจนเป็นการลงทุนครับที่พระเจ้าจะทรงประทานผลกำไรรางวัลและพระพรให้กับผู้ที่มีใจกว้างขวางพระเจ้าจะประทานผลกำไรรางวัลพระพรกับผู้ที่มีใจกว้างขวางจากพระทยอันกว้างขวางอุ ด, ดมของพระองค์ พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ลงรายละเอียดครับลงสังเกตสิ่งเล็กเน้อยทุกอย่างในชีวิตของเราและการช่วยเหลือของเราที่มีต่อคนอื่นด้วยพระองค์รับผิดชอบที่จะตอบแทนการกระทําทุกอย่างของเราครับผลตอบแทนรางวัลหรือเรียกว่าดอกเบีย้ยครับจะมากกว่าที่เราคิดได้และความรักของพระเจ้าก็ดํารงอยู่เป็นนิดข้อ18ครับการลงวินัยลูกนั้นมีความสําคัญมากครับ ถ้าพ่อแม่ไม่ลงวินัยลูกนั้นจะทําให้ลูกเกิดความเสียหายในชีวิตของเขาในทางนองตงข้ามกันครับการตามใจลูกทําให้ลูกฉูนเสียอนาคตไปได้เพราะฉะนั้นจึงมีคําแนะนําว่าเราควรลงวินัยลูกในขณะที่ยังมีความหวังอยู่ความโง่เขลาบาปัญญาในวัยเด็กจะนําไปสู่อันตรายในชีวิตของลูกเมื่อเขาเติบใหญ่เพราะฉะนั้นการเหนี่ยวรั้งการปกป้อง ด้วยการลงโทษลงวินัยจึงจําเป็นต้องทําอย่างยิ่งพ่อแม่บางคนปล่อยให้ลูกหลงนะครับจนเป็นเหตุที่ลูกนั้นได้รับโทษนะเพราะเหตุที่ตนเองละเลยครับเด็กที่รับการแก้ไขอุปนิสัยเด็กที่ได้รับการเพาะบ่มลักษณะที่ดีด้วยพ่อแม่นะครับให้เด็กได้อย่างนี้ครับดีกว่าที่จะรับการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ในเรือนจําเมื่อติดคุกไปแล้ว พี่น้องครับนอกจากพ่อแม่แล้วนะครับครูครับครูและวีพี่เลี้ยงก็จะมีส่วนทําให้เด็กต้องตายเพราะอะไรครับเพราะว่าหากขาดการดูแลและลงวินัยความตายในที่นี้หมายถึงการถูกประหารชีวิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันเด็กด้วยการตีสอนลงวินัยสั่งสอนเขาตั้งแต่เป็นเด็กนอกจากคุณพ่อแม่นะครับครูครูและวีพี่เลี้ยงพี่น้องครับ นี่คือความสำคัญต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อ19ข้อ19เาพราะเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าคนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องรับโทษเพราะถ้าเจ้าช่วยกู้เขาแล้วก็ต้องช่วยกู้เขาอีกนั่นหมายของว่าจะไม่มีใครช่วยเขาจะไม่มีคนที่จะมาช่วยคนโมโหฉุนเฉียวตลอดไปคนที่โมโหฉุนเฉียวมักจะทำให้ตนเองมีปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าและจะต้องรับผิดชอบต่อกัน ผิดพลาดพลาดพรั้งของตัวเองเพราะว่าถ้าคนอื่นที่ควบคุมตัวเองได้แล้วเขาช่วยคุณนะครับเขาจะไม่ช่วยต่อไปนานๆครับเขาจะไม่ช่วยต่อไปคนขี้โมโหนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายเหมือนบุตรโง่ครับที่ต้องแก้ไขด้วยการตีสอนเพราะฉะนั้นคนขี้โมโหนั้นถูกจัดอยู่ในพวกที่เหลือขอครับพ้นวิสัยที่จะสอนได้อารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้มันจะส่งเจ้าของมัน ไปสู่ปัญหาใหม่อย่างซ้ำซากแบบซ้ำซากครับเป็นการไรประโยชน์ที่จะช่วยคนเช่นนี้เพราะฉะนั้นมีความพยายามของคนมากมายที่อยากจะช่วยครับแต่มันก็ค่อยๆหายไปเพราะว่าคนคนนั้นมักมีอารมณ์ไม่ดีและมีเจตนาร้ายด้วยเหตุนี้เองครับเราจะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปนิสัยใครที่ขี้โมโหก็ขอพระเจ้าช่วยเสริมกาลังครับเสริมกำลังอย่าโมโหเสริมกำลังให้เราเยือกเย็นสุขุมไว้ เพื่อที่เราจะมีคนช่วยเหลือเยอะแยะมากมายครับและความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าจะเป็นความช่วยเหลือที่สูงสุดทำให้เรานั้นพ้นจากสิ่งต่างๆที่เคยผูกมัดเราไว้ได้อาเมน